เรามาพบกันท่านผู้ฟังโดยมีข้าพเจ้าพระภัยบูรณ์จากวัดป่าดอนหายโซอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพบกันในแต่ละครั้งนั้นเราก็จะมาคุยเรื่องเนื้อหาธรรมะที่เป็นหมวดธรรมสักข้อใดข้อหนึ่งที่เรามาวิเคราะห์ทําความเข้าใจในลักษณะที่จะให้เข้าถึงความรู้ของเขาในที่แท้สิ่งที่เป็นไปเพื่อความ คลายกำหนัดความรู้แจ้งความรู้พร้อมและนิพพานถ้าเรารู้ในลักษณะนั้นรู้แล้วเพื่อเป็นไปเพื่อนิพพานรู้แล้วเพื่อเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งรู้แล้วเพื่อเป็นไปที่จะทำกิเลสที่อยู่ในใจของเราให้มันเหือดแห้งแห้งผ่าออกไปรู้อย่างนี้ชื่อว่ารู้แล้วไม่เป็นหูพิดแต่ถ้ารู้แล้วเพิ่มกิเลสรู้แล้วเอาความรู้ตัวเองไปทาให้คนอื่น เสีย ห, หายทำตัวเองให้เสียหายด้วยแล้วก็ชื่อว่าอย่างเป็นงูพิษอยู่เนื่องจากเมื่อสระที่แล้วทุกฝั่งแต่เป็นช่วงวันรพระนักบวชก็จะมีการโกนผมปลงผมนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้ให้โกนไม่ให้เกินยาวเกิน2นิ้วแต่ไม่เกินสองเดือนในประเทศไทยก็ตกลงกันนะว่าให้โกนทุกเดือน แต่บางที่เขาก็ตกลงกันโกนทุก15วันก็มีก็แล้วแต่ก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าพระเจ้าบอกไม่ให้เกิน2นิ้วแต่ไม่ให้เกิน2เดือนเนี่ยไม่ให้เกินเราทําในเนือนหนึ่งใน15วันก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าหมูน่นณะจะตกลงเห็นพ้องกันว่าอย่างไงก็ทําตามนั้นปกติแล้วข้าพเจ้าก็จะปรงผมเองแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีเพื่อนสากตาม็กมาช่วยปรงให้ดังนระหว่างที่ปรงผมเนี่ยก็ลืมตาอยู่ แล้วก็สังเกตดูไอ้ผมที่มันของเราที่มันตกลงมาในขันน้ําที่เราตือเอาไว้เนะขากนผมก็เอาขันน้ํำตือไวนะ้ตัวข้าพเจ้าเองก็ตือขันน้ําไวนะ้ผมมันก็ตกลงมาเลยลงมาเนี่ยเราก็สังเกตดูเวลาผมของข้าพาเจ้าเนี่ยตกลงมาในธรรฝั่งมันก็จะ ก, กระจายไปตามบนผิวน้ำนะอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆเขาเรียกว่ากฎของความตึงผิวนะอะไรที่มันตกมามันก็จะ ก, กระจายกระจายไปนะเรื่องของความตึงผิว ซึ่งเราก็เห็นว่าโอ้เส้นผมของเรานี่มันมันใหญ่เหมือนกันนะเส้นผมมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าเราไปศึกษาทำความเข้าใจเรื่องหลักทางวิทยศาสตร์เนี่ยเขานักวิทศาสตร์เขาเอาผมมาวัดในเส้นผมของมนุษย์เนี่ยชะชะเฉลี่ยก็ประมาณสัก 0.07 มิลลิ mm. เมตร 0.07 ม mm. ิลลิเมตรหรือว่า70ไมโครอนเออซึ่งไอ 0.07 มิลลิเมตรนี่มันเล็กขนาดไหนก็คือเอาหมิลลิเมตร มาแบ่งออกเป็นรอยส่วนแล้วเอามันสักเจส่วนนะผมมันนีก็ประมาณเท่านั้นเจนะในร0 0ของมิลลิเมตรพูดไปก็คือ 0.07 ม mm. นะิลลิเมตรนั่นแหละตามฝังนั้นะเล็กมากในระหว่างที่คนผมไปก็สังเกตเห็นอีกว่ามันจะมีผมของเราบางส่วนที่มันยังยังไม่เปียกน้ำในะเวลามันตกลงน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะป้องกันตัวเองเอาไว้ไม่ให้มันเปียกน้าอยูนะ่พอเห็นตรงนี้แล้ว ก็เลยนึกถึงพระสูวดหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัส ก, กับท่านพระอาน น, น, นทงคือตอนนั้นเนี่ยท่านพระอนนไปบินาบาบในเมืองเวสาลีระหว่างที่กลับมาจากการบินดาตเนี่ยก็เห็นเหล่าพวกฤิชวีกุมารเขากําลังฝึกยิงธนูกันอยู่เขาฝึกยิงธนูเนี่ยมีความแม่นยํามากจำฝั ง, งแต่แม่นยําขนาดว่ายิงลูกธนูจากที่ไก ล, ละสามารถลอดช่องดันที่เจาะไว้แต่พอดี ลูกไหนลูกนั้นไม่มีผิดเลยเห็นแล้วก็เกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม่ิชวีกุมารปุณิแม่เขาเปความสามารถจริงๆนางก็ฝึกเด็กกันดีนางก็กลับมาจากบินบายได้ปลาแล้วก็เลยรับประทานอาหารเสร็จได้ปลาก็เลยไปเฝ้าพระเจ้านั้นทูลเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพระเจ้าก็เลยตรัสพระสูตรนี้เพิ่มฟังนางบอกว่าอานนท์เธอจะเบลีบได้ยังไงนางเอาปลายขนสายมาพาออกเจ็แล่งนางเอาปลายขนสาย ปลายขนทรายเนี่ยเป็นยังไงต้องฟังนะัคือกวางเนื้อสายเนี่ยเราลองไปสังเกตดูขนของมันนะตอนนี้อาจจะบางส่วนของประเทศอาจจะสูญพันไปแล้วแล้วนะก็เสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้แลนะเราจะเห็นว่าขนของกวางเนื้อทายเนี่ยมันจะเป็นขนลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับเส้นผมหรือเส้นขนของมนุษยนะ์เส้นขนหรือเส้นผมของมนุษย์ก็ประมาณอย่างที่ว่านี่คือ 0.07 ย mm. นะ์นมมตรขนาดของมันก็ ประมาณนี้อาจจะมีใหญ่กว่าบ้างอาจจะมีเล็กกว่าบ้างนั่นนี่คือเส้นผมของมนุษย์เส้นผมเส้นขนของกวางเนื้อสายนะส่วนที่มันใหญ่กว่าของมนุษย์ก็มีนะส่วนที่มันพอๆกับของมนุษย์ก็มีแต่มันมีพิเศษตรงนี้เตงมฝั่งถ้าคนที่เคยเห็นขนของกวางเนื้อสายนี่จะสังเกตว่าที่ปลายของขนของมันมันจะมีเป็นปลายขนเล็กเข้าไปอีกนั่นะเล็กกว่าขนาดเครึ่งของเครึ่ง ของไอ้ขนธรรมดาแล้วฟังนื้อออกมาเหมือนเป็น2ชั้นขึ้นไปนะเหมือนเหมือนกับเป็นแหลมๆออกไปอีกนะขนทนที่มันจะมาสุดแค่นี้มันยังมีแหลมๆเล็กๆยื่นออกไปอีกยื่นออกไปอีกสัประมาณสอเซนติเมตรนะปลายขนตรงเนี้ยเป็นส่วนที่เอ่อจะเป็นตัวที่ปกป้องคอยป้องกันน้ําไม่ให้ซึมเข้ามาได้แนะถ้าขนมันแห้งๆขนมันถี่กันมากน้ําตกใส่ไหลใส่มันก็ไหลเลือดไหลเลือดออก นะเหมือนกับหล่นอยู่บนใบบัวทีเดียวนั่นก็เพราเป็นคุณสมบัติของปลายขนสายนะปลายขนของกวางเนื้อสายไม่ใช่ตัวขนมันนะขนมันก็มีส่วนหนึ่งแล้วแล้วที่ปลายของขนมันยังมีที่เล็กๆยื่นออกไปอีกประมาณ2อถึงสมมตรตรงนั้นนะ่ะเล็กกว่าผมของมนุษย์มากถึงครึ่งต่อครึ่งทีเดียวผู้เจ้าบอกเอาปลายขนสายมาเอาปลายขนสายตรงเนี้ที่เป็นส่วนเล็กๆเล็กกว่าผมของมนุษย์อีกเนี่ยนะ เล็กกว่าผรมของเด็กอ่อนนะเล็กกว่าขนของมนุษย์ทั่วไปแน่นอนนะเอาตรงนี้มาผ่าออกผ่า อ, ออกนะแบ่งเป็น7ส่วนนะผ่า อ, ออกแบ่งเป็น7ส่วนแล้วเอาส่วนหนึ่งแทงให้มันทะลุเข้าไปอีกส่วนหนึ่งท่านฟางอาจจะลองนึกถึงตอนที่เราร้อยได้กับสายเข็มเนี่ยนะเราพยายามจะเอาปลายเข็มปลายได้เนี่ยแทงเข้าไปในรูเข็มนะก็ลองทดลองเอา ขนทรที่ยังไม่ได้ผ่าแล้วกันนะมันจะมีปลายขนไซายที่มันเล็กๆแหลมๆเนี่ยมันสามารถร้อยเข้าไปในรูของเข็มได้ง่ายอยู่แต่ถ้าเราเอาปลายขนทรายมาร้อยเข้ากับปลายขนทรายเองเนี่ยโอ้มันยากมากนะถามท่านพระอนุนว่าอันไหนยากกว่ากันนะระหว่างกันยิงธนนะูจากที่ไกลลอดช่องด่านลูกไหนลูกนั้นไม่ผิดเลยกับเอาปลายขนทายไม่ใช่ตัวขนทรนะ เอาปลายคนของมันเนี่ยมาพาออก7จ็แล้งแล้วเอาแล่งหนึ่งเอาส่วนหนึ่งที่พาออกแล้วเนี่ยแทงเข้าทะลุกัาอีกส่วนหนึ่งมันยากมากนั่นเพราะมันเล็กมากนั่นเล็กยิ่งกว่าผมของมนุษย์แล้วยังผ่าออกอีก7ส่วนอีกนั่นเล็กลงไปอีก7 เ, เท่าท่ากับกิโดไม่ต้องพูดถึง 0.07 มม mm, ต 0.001 mm, ม mm, มน่นนะคือ1ไมโครนั้นเล็กมากทีเดียวมือของมนุษย์นี่จะจับนี่ก็แทบจะไม่ได้แล้ว นั้นโนหลงไปใจเราก็ปลิวไปไหนก็ต่อไหนหาไม่เจอแล้วความยากตรงนี้ทตามฟังความยากตรงนี้ยังมีความยากที่ยากไปกว่า น, นี้อีกแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงอะไรที่มันยากไปกว่า น, นี้เนี่ยเรื่องขนสายนี้ยังไม่จบเตินฟังมีเรื่องเกี่ยวกับขนทรายนี้มินที่มาในในทางคําสอนของพระเจ้าที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยยังมีอยู่ตรงที่ว่ามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการยิงทนูคนหนึ่ง เขาสามารถยิงถูกปลายขนสายเนี่ยนะนะปลายขนสายที่ว่าเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์อีกเนี่ยจากระยะทางไกลระยะทาง1อุสภะระยะทางหนึ่งอุสภ ะ, ะ, ะ, ะนี่มันไกลขนาดไหนก็คือไกลขนาดที่โค ร, ร้องวัวเนี่ยนะท่านฟังเวลามันร้องโ h o โ h o ขึ้นมานี่มันได้ยินถึงไหนนะตรงนั้นคือระยะทาง1อุสภะคืออุสภะหนึ่งนะถ้าเรามาอยู่ตามบ้านนอกปลายนาเนี่ย โคมร้องโอ๊ะโขึ้นเนี่เราก็จะได้ยินคงประมาณสักกิโลเมตรกว่าๆนะเกิน1กิโลเมตรอยู่แต่อาจจะไม่ถึง2กิโลเมตรแตนะ่ถ้าไหนเสียงวดล้อมที่ไม่มีรถราอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ตามบ้านไร่ปลายนาเนี่ยโคร้องอยู่นู้นเป็นกิโลนะเราก็ยังได้ยินแตนะ่ถ้าเงียบจริงๆอาจจะได้ยินถึง2กิโลเมตรก็ประมาณนี้นะผู้ที่เชี่ยวชาญเป็ น, เ ป, นเป็นอาจารย์นะักยิงธนูคนนี้เป็นชั้นอาจารย์สามารถยิงธนู น น, นระยะหนึ่งอุษภะก็เกือบ2กิโลเมตรนะถ้าเราประมาณเอาสามารถยิงถูกปลายขนสายได้านทั้งฟังลองกิดููโหเขาเชี่ยวชาญขนาดนี้แล้วก็ไม่ใช่ลูกธนูธรรมดาเป็นลูกธนูขนาดหนักเนะี่ยตัวธนูก็หนักลูกธนูก็หนักนะพอยิงออกไปแล้วกําลังก็มากลูกศรนี้เหมือนเบาเปลี่ยวไปนะสามารถยิงถูกขนสายที่ระยะทางไกลขนาดบัวร้องได้ยินได้นะมีฤาษีคนหนึ่ง ก็บอกว่าไอ้ความที่ลูกธนูของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการยิงธนูที่สามารถยิงถูกปลายขนสายในระยะหนึ่งอุษาพเนี่ยเขาสามารถเดินทางได้เร็วกว่าลูกธนูนี้เนรุศรีก็มีฤทธิ์สมัยก่อนเนฤุศีคนนี้สามารถเดินทางได้เร็วได้ไกลเนะี่มากกว่าลูกธนูนี้ในระยะทางเก้าหนึ่งของเขานี่ก้าวจากมหาสมุทร ด, ด้านตวันตกถึงสมมหาสมุทร ด, ด้านตวันออก วันหนึ่งฤาษีคนนี้เขามีความคิดอย่างนี้บอกว่าฉันเนี่ยจะไปถึงที่สุดแห่งโลกให้จงได้แล้วก็จึงพอดำริอย่างนี้แล้วก็จึงเดินทางไปด้วยความเร็วรวดเร็วเท่าประมาณกับลูกธนูของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการยิงธนูเนี่ยประกบว่าเดินทางไปแล้วเว้นการกินการนอนการหลับการพักการถายอุจจระปัสาวะเว้นหมดทุกอย่าง เพื่อที่จะรีบเดินทางไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกให้ได้ปรากฏว่านะยังไม่ทันถึงนะเดินทางอยู่ประมาณร้อยปีก็ตายซะก่อนนะตายเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดานะชื่อโรหิตัสสะเทวดาชื่อโรหิตัสสะนี้ก็มาถามพระพุทธเจ้าในสมัยหนึ่งนะบอกว่าเอ๊ะเนี่ยการไปถึงที่สุดแห่งโลกเนี่ยไปยังไงนะเพราะว่าตัวของเทวดาเองนะคือโรหิตัสสะเองเนี่ย สมัยก่อนเกิดเป็นฤาษีเดินทางด้วยความรวดเร็วเท่ากับลูกธนูเนี่ยร้อยปีเนี่วเว้นการกินการหลับการภาคการเข้าห้องน้ำใส่อุจารปัสศวะอะไรต่างๆเว้นหมดเนะีเดินทางอยู่รอ้อปีก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกเลยเนี่ยไปตามพระเจ้าในลักษณะนี้พระเจ้าก็ตรัสบอกให้ทราบ ว, ว่าที่สุดแห่งโลกเนี่ยที่สัตว์จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่เจ็บไม่อุบัติไม่เป็นอะไรเนี่ยเรากล่าวว่าการ ไปถึงที่สุดแห่งโลกเนี่ยไม่ได้ปรากฏขึ้นได้ด้วยการมาการไปนะเขาก็เลยงงทีนี้เดี๋ยวเยวลาองค์นี้ก็เลยงงว่าโอ้โหนะ่าสัศจรรมากนะว่าการไปถึงที่สุดแห่งโลกไม่ใช่ด้วยการมาการไปนะแต่ว่าอยู่ในใจเรานเนี่ยนึกฟังนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากถ้าเราจะเปรียบเทียบกับไม่ว่าจะขนทรายนะปลายขนทรายที่ผ่าออกเฉียดแรงนะแล้วเสียบเข้าหากันยาก ความที่ธนนะูของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการยิงธนูสามารถยิงธนูได้ถูกปลายขนสายจากระยะหนึ่งอุศภนะคือโครลงทีหนึ่งแล้วได้ยินไปไกลเนี่ยก็ยากความความสามารถนี้ไม่ใช่ธรรมดานะหรือว่าแม่เจ้ากษัตริย์ชวียิงลูกธนูลอดช่องดานลูกไหนลูกนั้นไม่ผิดเลยนั่นะก็เป็นความสามารถที่ที่ยากเหมือนกันยากขนาดนี้ ในมันมีที่ยากไปกว่านี้อีกเต็มฝั่งแลนะสิ่งที่พระชาบอกว่ายากไปยากเกินกว่าที่ว่าจะเอาปลายขนสายแทงกับปลายขนสายที่ผ่าออก7จ็แล่งการไปถึงที่สุดแห่งโลกโดยที่ไม่ต้องมีการมาการไปแตนะ่ตรงนี้ก็คือการรู้อริยสัจ ส, สีนั่นเองในะการที่ใครเจ้าคนใดคนหนึ่งเต็มฝัง่งจะมารู้อริยสัจ ส, สีได้แตนะ่ไม่ใช่ของง่ายเพราะอะไรเพราะาเกิดมันเป็นมนุษย์มันไม่ง่าย เกิมาเป็นมนุษย์ก็ตามเกิดมาเป็นเทวดาก็ตามนะ่ะไม่ใช่ของง่ายนะ่ะยากขนาดไหนเอง เ, เปรียบเทียบนะ่ะถึงความยากของคนผ่านสักคนหนึ่งนะ่ะที่พอเวลาไปตกนรกแล้วเนี่ยจะกลับขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันยากมากนะ่ะยากเหมือนกับเต่านะ่ะที่ว่าตาบอดนะ่ะอยู่ในกลางทะเลนะ่ะเรื่องนี้เราก็เคยได้ฟังกันมาแล้วหลายรอบนะ่ะมีน้ําท่วมทั่วโลกไปหมด นะมีเต่าตัวหนึงตาบอดนะโอกาสที่เต่าตัวนี้มันจะโผล่หัวขึ้นมานะทะลุบนแพรหรือบนแอกนะร้อยปีนั่นนะโผล่ขึ้นมาทีหนึ่งมันยากมากนะยากมากจริงๆนะยากขนาดนี้ความเป็นมนุษย์เราก็ายังได้แล้วนะได้แล้วเพราะว่าความเป็นมนุษย์มันได้ยากเป็นมนุษย์แล้วจะมาได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งยากเนะพราะบางทีเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ฟัง หรือเกิดมาเป็นมนุษย์ในสมัยที่มีคําสอนของพระเจ้าแล้วแต่ก็มาประมาทมัวเมาไม่ได้ฟังเอาต่อให้ได้ฟังบางทีจะทําความเข้าใจมันยังยากคนที่ปฏิบัติธรรมมาวัดรักษาศีนั่งสมาธิก็มีเยอะแยะในที่บรรลุก็มีที่ไม่บรรลุก็มีเพราะว่าพอฟังแล้วฟังไปอาจจะได้บรรลุก็ได้ไม่ได้บรรลุก็ได้มันก็อยู่ที่ อ, อินทรีย์บารมีของแต่ละคนความยากตรงนี้มันก็มีมันก็ยังมีหลายขั้นตอนที่เราต้องปฏิบัติไปทําไป จึงบอกว่ามันยากแต่ความยากตรงนี้ท่านผู้ฟังเรายังดูสิ่งที่ทําได้ยากๆเช่นว่าการยิงธนูจากที่ระยะหนึ่งอุษาหะให้ถูกขนทรายต้องความแม่นมากนะเขายังต้องคํานวณทิศทางลมยังต้องคํานวณ น, น้ําหนักธนูตัวเองต้องมีกําลังสูงนะหรือแม้แต่เจ้าเลชวียิงลูกธนูลอดช่องดานนะเขาก็ต้องฝึกมาอย่างดีนะซึ่งเราเห็นในปัจจุบันคนที่เต้นคนที่ ทำกายกรรมคนที่เล่นยิมนาสติกได้คนที่ทําท่าทางประหลาดๆคนที่สามารถขับจักรยานผาดโพนหรือว่าทําสิ่งที่มันเกินมนุษย์ได้เนี่ยเขาก็ยังทํากันได้นั่นก็เพราะว่าเขาก็อาศัยการฝึกเขาก็เดินอย่างเราเหมือนกันเหมือนกันนะเขาก็เดินมาเหมือนเราวิ่งมาเหมือนเรานะีมีแขนขาเหมือนเราๆทั้งหลายแต่เพราะว่าเขาอาศัยการฝึกนะฝึกซ้ําๆำซักๆฝึกซ้ำๆ ซ, ซๆำซกัซก ซ, กซกนะจนกระทั่งมีความแคล้วคล่องชํานาญ ทำท่าทางประหลาดได้เล่นกากรรมได้ยิมนา ส, สติกได้ยิงลูกธนูได้ในะเหมือนการเจ้าลิสชุยก็ฝึกมาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการยิงธนูขนาดหนักเหล่านั้นเขาก็ฝึกมาในะคนที่ขับจักรยานตีลังกาเรื่ต่างๆเขาก็ฝึกมาในะด้วยการที่ฝึกนี่แหละนตะ่พระเจ้าก็เปรียบไว้เหมือนกับนายกำลังธนูเนี่ยฝึกซ้อมยิงลูกธนูอยู่กับหุ่นฟางหรือว่าหุ่นดินในที่ทําเป็นรูปคนนะก็ยิงไปยิงไปฝึกไปฝึกไป น่นมันก็จะได้แต่นะได้ในที่นี้ก็คือสามารถทำลายหมู่พลอันใหญ่ยิงได้ไกล ย, ยิงได้เร็วนะเช่นเดียวกันแต่นะเวลาที่เราจะมารู้อริยสัจ4ี่เนี่ยโอ้ยเราอย่าไปคิดเลยว่ามันจะทำไม่ได้แม้พระภัยบุญบอกว่าทำได้ยากขนาดนี้คือตัวข้าพเจ้าไม่ได้บอกนะข้าพเจ้าก๊อปปี้มาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกยากขนาดนี้นะก็คิดว่าจะหมดกำลังใจแต่ไม่ใช่ยากอยู่ใช่แตนะถ้าทำผิดวิธี ยากแต่ถ้าทำถูกวิธีจะว่ายากมันก็ไม่ใช่นะมันก็พอทำได้พระชจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาบอกทางกับคนลงทางเนี่ยคุณให้ไปทางนี้เขาก็เดินไปตามทางนั้นเขาก็ถึงเหมือนกันแต่ปัญหามันก็คือว่าพอบอกให้ไปทางนี้แล้วเขาไม่ไปแต่ถ้าเขาไปตามทางางนะเขาถึงแน่นอนประเด็นคือเขาไม่ไปในพวกที่ไม่ไปเนี่ยมันมีมากกว่าในพวกที่ไม่ไปเนี่ยมันมีปัญหาในจิตของเรา เนะีบางทีคิดไม่ถูกคิดไม่ดีมีมิจฉาทิฐิก็เลยไปผิดทางไปผิดทางมันก็ไม่ถึงอสิไปผิดทางมันก็ยากอสิมันต้องไปทางขวาแต่คุณกลับไปทางซ้ายคุณไปทางซ้ายจะให้มันไปถึงทางขวามันก็ยากอสิต่อให้คุณวนซ้ายวนซ้ายมันก็ไปขวาไม่ได้อยู่ดีมันถึ ง, ต, งต้องไปให้ถูกทางถ้าเราไปถูกทางมันไม่ยากเดิมฝั่งยังไงเรียกว่าถูกทางทางพระเจ้าบอกไว้แล้วนะเนียอริยสัจสคืออะไร หนึ่งในสีัจจะสีส่อย่างนั้นคือเรื่องของทางนั่นเองนั่นะคือทางดําเนินใหถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราไปตามทางเนี่แหละนะัเราจะรู้ได้ว่าเออมันอริยสัจสีนะั้นมันคืออะไรพวกนักที่เขาฝึกยิงธนูฝึกเล่นยิมนาสติกนะฝึกในการที่ใช้กําลังมีวิชาความรู้ต่างๆนะัเขาก็มีวิธีการฝึกของเขานะัที่เขาเขาฝึกไปตามกระบวนการวิธีการ จากรุ่นครูอาจารย์สอนมาให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะฝึกต่อๆกันมาเขาก็มีความชํานาญได้แตนะถ้าทําถูกวิธีเนี่ยมันทําได้แตนะ่เราฟังให้ดีท่านฟังแตนะ่ว่าคนบอกทางเนี่ยเขาบอกให้เราไปทางไหนพระเา้าเปรตพระองค์เนี่ยเหมือนกับบุคคลที่ที่รู้ทางมีบุคคลที่ไม่รู้ทางมาถามทางกับบุคคลที่รู้ทางบุคคลที่รู้ทางก็บอกให้บุคคลที่ไม่รู้ทาง บุคคลที่ไม่รู้ทางก็เดินไปสิแล้วก็เดินไปตามทางที่บุคคลที่รู้ทางเขาบอกให้เดินไปตามทางนี้เดี๋ยวมันถึงได้นะมันถึงที่สุดแห่งการทําที่สุดแห่งทุกได้เป็นที่ที่สามารถไปถึงได้โดยที่ไม่ต้องมีการมากันไปนะเมันกับฤาษีที่ชื่อโรหิตัสสะเนี่ยเขาพยายามที่จะเดินทางด้วยความสามารถของเขาเพื่อให้ไปถึงที่สุดโลกแต่ที่สุดแห่งโลกนั้นนะไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ขอบจักรวาลอันไหน แต่อยู่ในกายอยู่ในใจอยู่ในร่างกายที่ยาวหนึ่งวากว้างหนึ่งซอกนี้เท่านั้นเองณนะที่สุดแห่งโลกอยู่ในนี้ผู้ชาบอกว่าเราบัญญัติเหตุเกิดของโลกความดับไม่เหลือของโลกทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกเอาไว้ในกายนี้นั่นเองกายของเราก็คือขันตั้งห้าในะรูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณการที่เรามาทําความเข้าใจในเรื่องขันต่างห้าไม่ยากดน่นอน ถ้าเราทาความเข้าใจถูกวิธีถ้าเราทำความเข้าใจผิดวิธียากยิ่งกว่าแทงขนส่ายด้วยปลายขนส่ายที่พาออกเจ็ดแล่งยากยิ่งกว่าที่คุณจะยิงธนูเนี่ยนะด้วยธนูขนาดหนักในระยะหนึ่งอุชพภะให้ถูกปลายขนส่ายได้ยากยิ่งกว่าที่เต่าตัวหนึ่งมันจะโผล่หัวขึ้นมาเอาหัวมันลุดเข้าไปในแพรในะที่มันพอดีพ ด, พดีหัวทุกๆรอยปียากยิ่งกว่านั้นอีกถ้าทําไม่ถูกอะทําไม่ถูกอย่าเพิ่งบอกว่ายากเลย มันไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยซ้ําเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ความยากไม่ต้องพูดถึงไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่ถ้าทําถูกเป็นไปได้ใช้เวลานานเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเราทําบ่อยแค่ไหนชั่วโมงบินเรามีมากน้อยแค่ไหนธพระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เนีเหมือนกับเมเล็ดข้าวแต่ถ้ า, าใครเคยเข้าไปในยุ้งช้างเนี่ยนะธระาพชาติเคยเห็นันตอนเป็นพระนี่แหละก็ไปสังเกตการดูชาวนาเขา เขาเก็บข้าวในยุ้งฉางเนี่ยบางที่เขาก็เก็บใส่กระสอบเข้าไปในยุ้งฉางเขาแต่าบางที่เขาก็เททั้งเมล็ดเข้าไปเลยนะข้างในเราก็เห็นเขาก็ไปยืนเหยียบๆอยู่แต่าบางทีเขาก็เล่าไมาให้ฟังว่าเล่าให้ฟังว่าไอ้เมล็ดข้าวเนี่ยที่เขาเหยียบๆ Paty ลงไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ตำขาเขาเหรอกแต่มันจะมีบางเมล็ดที่ตั้งอยู่อย่างถูกลักษณะแต่มันจะตำชั่วเอาให้นะจนกระทั่ ง, ทงเท้าคนนี้ห่อเลือดขึ้นมา เขาก็จะต้องคอยระวังเดินในย่าในลักษณะที่จะไม่ให้เมล็ดข้านั้นมันตามเท้าได้แต่มันจะมีบางเมล็ดที่ตั้งอยู่ในลักษณะที่มันจะตามพอดีในข้าวจํานวนเป็นล้านล้านเมล็ดนะ่ยที่อยู่ในยุ้งฉางเนี่ยเขาเหยียบลงไปเหยียบลงไปมันก็จะอาจจะมีบางเมล็ดเนที่ตั้งต่ําเท้าเขาได้เหมือนกันในะเช่นเดียวกันจิตของเราบางทีพิจารณาคิดนั่นนี่โน่น เป็นไปตามภาษามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างแม้ภาษาหนึ่งเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยมันมีหลายขนาดจิตมันจะมีสักขนาจิตหนึ่งไหมที่เราตั้งไว้อย่างถูกต้องเราพยายามเดินไปตามทางนี่แหละตามทางที่เจ้าบอกไปท้งนี้เป๋ซ้ายเป๋วขวาบ้างก็มีแต่ไอเป๋เปมันอาจจะไม่ถูกอยู่ถูกลักษณะของจิตที่ควรจะต้องถูกตั้งไว้นะเราปรับใหม่ปรับใหม่นะทำใหม่ภาษะมีมากระทบเราตั้งจิตใหม่ หเห็นสิ่งนี้เราตั้งจิตให้ดีได้ยินสิ่งนั้นเราตั้งจิตให้ดีอ่นนานหนังสือเราตั้งจิตให้ดีนะมันจะต้องมีสักขณะจิตหนึ่งเต็ฝั่งเนื้อเหมือนข้าวตั้งล้านล้านมาเมล็ดที่อยู่ในยุง้งฉางมันจะต้องมีสักเมล็ดหนึ่งที่ตําเท้าชาวนาได้เหมือนกันมันจะต้องมีสักขณะจิตหนึ่ ง, ท, ท, ง, งที่ลอกอวิชาออกได้ทําให้เจ้าอาวิชาเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้ทําให้อสวดที่เคลือบผิวจิตมันหลุดออกไปขอสักขณะจิตเดียวเต็มฝัง เราทำไปตั้งจิตให้ถูกพยายามปรับพยายามทําเหมือนร้อยเข็มแล้วแทงเข้าไปเนี่ยพยายามที่จะร้อยเข้าไปหาจังหวะมือขวาก็เคลื่อนได้เข้าไปมือซ้ายก็จับนิ่งๆให้รูเข็มมันอยู่ทิ้มเข้าไปทิ้มเข้าไปมันจะมีจังหวะหนึ่งที่พรดเข้าไปเอ้าบางทีพรดเข้าไปแล้วดันดึงมือออกมาแม่เสียดายในบางคนร้อยเข็มเป็นอย่างงั้นข้าพเจ้าก็เคยร้อยเข็มทิ้มเข้าไปได้แล้วผ่านรูไปแล้วดันดึงมือออกมาเร็วเกินไปก็ต้องร้อยใหม่ นะนี่คือลักษณะของเวลาที่เราวางไปแล้วแล้วมันกลับกำเริบนะจิตของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังแล้วนะเราค่อยๆทำไปทำไปทำไปมันจะมีสักขนาจิตหนึ่งที่เราสามารถตั้งจิตของเราเอาไว้ให้อย่างถูกต้องได้นะเราไม่ได้หาอะไรสิ่งที่เราทำคือตั้งจิตของเราไว้นะเดินตามทางนะคิดดีพูดดีทำดีรักษาศีลให้ทานด้วย เนะีไปลีกเล่นบ้างนั่งสมาธิบ้างฟังธรรมบ้างเนะีใครพูดใครดา่าใครว่าเราเราก็อดทนไว้นะีพูดดีมีเมตตาเนะีเราทำไปอย่างนี้บางทีจิตเราเป๋บ้างสะดุดบ้างมีผิดพลาดบ้างก็ธรรมดานะีในานาข้าวเขาทําข้าวเนี่ยก็มีบางเมล็ดที่มันมันรีบบ้างบางเมล็ดมันดีบ้างเดีนะ๋ยเราก็พยายามปรับพยายามทํานะให้อย่างน้อยนะเราอยู่ในทางเรารู้ว่าทางอยู่ทางนี้ นะทำไปทำไปมันน่าจะมีสักจังหวะหนึ่งที่มันฟลุกๆได้ก็มีนะ่ะฟลุกๆกได้เอ้ยมันทําได้ฮะเออระวังได้แฮะแม้แต่มันยังกลับกําเริบขึ้นมาเหมือนร้อยได้เข้าไปในรูเข็มแล้วนะ่ะดึงดึงมือออกมาเร็วเกินไปนั้นะได้ก็ออกมาด้วยเอาใหม่เอาใหม่ทั้งสิตใหม่นะ่ะทำใหม่นะ่ะทำใหม่ฝึกซ้อมอยู่นั่นนะ่ะเหมือนนายขมังธนูที่เขาซ้อมยิงอยู่กับรูปหุ่นดินหรือรูปหุ่นฝางนะ่ะเราจะทําได้ แลนะเราทําให้ถูกตามกระบวนการกระบวนการนี้คืออะไรในะกระบวนการนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองเนะื้อได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาชีวะสัมมาวายามาสัมมาสติและสัมมาสมาธิเราเดินตามทางนี้ไปแลนะชื่อว่าเรามีเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี้เนื้เหมือนเมล็ดพันธุ์เข้าวสาลีเมล็ดพันธุ์อั ง, งุนเมล็ดพันธุ์อ้อย เรารดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยการรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยนั่นคือการที่เราทำความเปลี่ยนนะทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่อย่างไม่หยุดทำอยู่อย่างสม่ำเสมอทำอยู่อย่างเข้มงวดทำอยู่อย่างบ่อยๆนะก็เหมือนการรดน้ำรวนดินนั่นเองไอ้มเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีมเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างมเมล็ดพันธุ์อ้อยมเมล็ดพันธุ์องุ่นมันก็สะโตออกดอกออกผลนะให้เรากินได้อย่างหวานชื่นใจเหมือนกันไม่อยาก นะยากถ้าทําไม่ถูกยากจนถึงขนาดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นแหละแต่ถ้าทําถูกจะว่ายากก็ไม่ได้เพราะกระบวนการวิธีมันมีอยู่คุณจะหวังหรือคุณจะไม่หวังคือบางที่เราหวังว่าต้องได้นะหวังจนท้อแล้ว ย, ยังไม่ได้ท้อไปแล้วมันต้องได้นะก็กลับมาหวังอีกจะหวังหรือจะไม่หวังหรือจะไม่หวังหรือจะหวังไม่ใช่ก็ไม่หวังก็ไม่ใช่มันก็ต้องได้เพราะอะไรเพราะกระบวนการเราทําอยู่แล้วไนะหนท่านฟังทําไป เนยอย่าทอแท้ทอถอยให้มีกําลังใจคําสอนพระเจ้ายังอยู่เหมือนตัวพระเจ้ายังอยู่นั่นแหละตัวเป็นๆอาจจะเป็นธาตุไปแล้วแต่เหมือนบุคคลยังอยู่ใกล้เราในอยู่ในใจเราเราคําสอนนี้มาไว้ในใจมีกายสงบระ ง, งับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียววันนั้นเราเป็นวันพระแล้วมีโพธิมีความรู้บรลลังนั้นเป็นโพธิบรลลังของเราเรารู้อยู่ในใจของเรา ตั้งจิตของเราไว้อย่างนี้ตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องว่าละจิตนั้นขนาดจิตนั้นแหละจะเป็นขนาดจิตที่ทําให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงเข้าใจในธรรมะที่พรชเาประกาศไปได้ท่านผู้ฟังมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติคําถามเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติหรือว่าคําถามในการปฏิบัติใดๆที่เป็นในทางคําสอนของพระเานั่ก็เขียนมาได้เลขที่1หมู่8 ตำบลดอนไยโศก อ, อําเภอดองหานจังหวัดอุดรธานีถ้าสะดวกตามเว็บไซต์ก็เพียวธรร m ะดอท p u r e d h a m m a ที่เพียวธรร m ะดอทมนี้ข้าพเจ้าจะเอารูปปลายขนทรายนะขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ให้ท่านฟังดูติดตามไปชมกันได้จวัสดีคร